11. บัอ็ดพัทวิยะวัตถุว่าด้วยภิกษุพัท ธ, ธวิคีเรื่องทรงแสดงธรรมโปรดพัท ธ, ธวิคีส0สิบคนข้อ36ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกรุงพาราณสีตามพระอัธยาศัยแล้วได้เสด็จจาริกไปทางตำบลอุรุเวลาเสด็จหลีกจากทางเข้าไปยังไพรสนแห่งหนึ่ง ครั้นเสด็จถึงไพรสนแห่งนั้นแล้วได้ประทับอยู่ณควงไม้ต้นหนึ่งสมัยนั้นสหายพัทธวคีประมาณสามสิบคนพร้อมภรายาบำเรอกันในไพรสนแห่งนั้นสหายคนหนึ่งไม่มีภรายาพวกสหายจึงนำญิงแพทย์ามาเพื่อประโยชน์แก่เขาต่อมายิงแพทย์าได้ขโมยของนีไปขณะพวกเขาเผลอเรอมัวบำเรอกัน สหายเหล่านั้นเมื่อจะช่วยเหลือเขาจึงเที่ยวตามหาหญิงแพทย์สยาจนไปถึงไพรสนแห่งนั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งอยู่นักวงไม้ต้นหนึ่งครั้นเห็นแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระองค์ทรงเห็นหญิงคนหนึ่งบ้างไหมพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงย้อนถามว่า กุมารทั้งหลายพวกเธอมีความต้องการหญิงไปทําไมสหายพัทวคีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์จึงได้นําหญิงแพศยามาเพื่อประโยชน์แก่เขาต่อมาหญิงแพศยาได้ขโมยของหนีไปขณะพวกข้าพระองค์เผลอเรอมัวบัมเรอกันเพราะเหตุนั้นพวกข้าพระองค์เป็นสายกันเมื่อจะช่วยเหลือเขาจึงเที่ยวตามหา ญิงแพทย์ยาจนมาถึงภัยส่วนแห่งนี้พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่ากุมารทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นอย่างไรการที่พวกเธอจะสแสวงหาหญิงหรือสแสวงหาตนอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันการที่พวกข้าพระองค์สแสวงหาตนนี่แหละประเสริฐกว่าพระพุทธเจ้าข้ากุมารทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกเธอจงนั่งลง เราจะแสดงธรรมแก่พวกเธอสหายพัะทวคีเหล่านั้นทูลรับว่าดีละพระพุทธเจ้าข้าถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนุปุปิกถาคือทรงประกาศ 1. ทานกาถาสองศิลกาถาสสักสส ข, ขากาถา 4. กามาทีนวะถา 5. เนกขามานิสังสักถาแก่พวกเขา เมื่อทรงทราบว่าพวกเขามีจิตควรอ่อนปราศจากนิวร์เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุกังสิกธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุกสมุ ท, ทยัยนิโรธมักทมจากสุอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดแก่พวกเขานาที่นั่งนั้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งบวงมีความดับไปเป็นธรรมดา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 พึงได้การอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพวกเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดแล้วได้ตรัสต่อไปว่าทำอันเรากล่าวดีแล้วพวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบเถิดพระวาจานั้นได้เป็นการอุปสมบทของท่านเหล่านั้นพัทธ ว, วิคิริวัตถุจบภานวานที่สอง จอบ